สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับคุณลุงคุณป้านะครับล้วกลับนวัสการพระอาจารย์ครับ<ส>ก็วันนี้คณะของเรามี2 ส, สายนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนำหัวหน้าทีม2 ส, สายมาเกิด น, นำถึงวัตถุประสงค์แล้วก็สิ่งที่ตั้งใจไว้ของ วันนี้ที่ได้มร่วมบุญกันมีสองท่านก็นคือคุณออฟกับคุณกุ้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านแรกก่อนให้คุณกุ้งเล่าถึงความตั้งใจแล้วก็สิ่งที่อยากจะทำในวันนี้นะครับเชิญครับค่ะกราบสวัสดีนะคะป้าป้ า, ปาลุงตานายายขออนุญาตหน้าผาค่ะ ตื่นเต้นนิดหน่อยดีใจค่ะที่วันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนนะคะจุดประสงค์ที่มาวันนี้คือจริงๆแล้วรู้จักลุงลุงป้านายายอะมาตั้งแต่รายการที่ไปออกทีวีแล้วแล้วก็ปักหมุดไว้เลยโดยเฉพาะลุงคุณนิพน์ใช่ไหมคะ่ะสวัสดีค่ะปักนิพนนิพน์ค่ะเราก็ตั้งใจว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งก็สามปีผ่านมา สปีผ่านมาว่าเราจะมาที่นี่ให้ได้นะคะแล้ววันนี้ก็มาถึงได้เจอก็ดีใจค่ะดีใจมากๆก็เลยอยาก จ, จัดกิจกรรมที่เติมความสุขให้กับผู้ให้ก็คือทีมพวกเรานะคะคือทุกคนมีความสุขที่อยากจะให้แล้วก็มาดูแลช่วยเหลือนะคะแล้วก็วันนี้นิมนต์พระมาร่วมทํากิจกรรมเพื่อเติมบุญด้วยนะคะแล้วก็เติมใจผู้รับนะคะวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมตักบาตรนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคุณคุณออมนะคะก็ได้รวบรวมปัจจัยของต่างๆที่จำเป็นมากมายทั้งออของใส่บาทนะคะแล้ว เ, เป็นคุณออฟไล่มาหมอนหมอนอยางพาราคุณภาพดีเหมาะสำหรับแผลกดทับ นะคะแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีอาจจะมีบางท่านได้ทดลองใช้ไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการแจกให้ใช้นะคะ mm. ก็คือจะทำให้สบายมากขึ้น mm. ไม่มีแผลกดทับนะคะ mm. มีปุ่มยืดหยุดรองรับนะคะ mm. มีแล้วก็แผ่เพิ่มจำนวนมากและก็ลังไมอีกนะคะแล้วก็ของที่ใช้ปฐมพยาบาลทั้งหมดรวมทั้งยาต่างๆที่มีการขอเพิ่มเข้ามานะคะก็เตรียมมาเป็นลัง เยอะมากแล้วก็ยาทาแก้คันอะไรเงี้ยมาเป็นยี่ห้อดีๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีขนมนะคะเดี๋ยวมีขนมที่ตามมาค่ะแล้วก็สาหรับวันนี้ก็คือเดี๋ยวเรามีกิจกรรมใส่บาทแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับการใส่บาทนะคะเดี๋ยวให้คุณออกพูดอะไรนิดนึงสักนิดนึง <c oughs> เพราะว่าอุตส่าห์แบบว่ารวมรวบรวมผู้ใจบุญ หลายคนนะคะแล้วก็รวบรวมลูกหลานหลายๆคนมาเยี่ยมลุงป้านาอาที่นี่นะคะก็ได้คุณออกอีกคนเป็นคนช่วยค่ะก็สวัสดีคุณนา้าแล้วกันนะครับ <laughs> ถ้าเรียกคุณยายเดี๋ยวจะดูสูงอายุไปครับทุกท่านเลยนะครับก็ท้อที่ดูทุกท่านก็แข็งแรงดีนะครับวันนี้ที่มาได้ก็ต้องขอบคุณ ต, ต้นสายบุญนะครับของดรกุ้งแล้วก็อีกทางหนึงที่ ได้เพื่อนเพื่อนมาช่วยนะครับรวมถึงของครอบรัวของนะัดของอคุณวีระนะครับที่เป็นเจ้าของโรงงานเองเลยครับจากนี่มาจากชนบุรีตั้งแต่ตีห้าครับที่ขนพกแพมเพิ่มมาแจากคุณลุงคุณค ค, ค, คลุงคุณป้าคุณยายทุกขั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนก็จะได้ อ, อย่างที่ดกรกุ้งบอกไปแล้วเนะเดี๋ยวเ้าจะมีให้ให้ไทยบาทได้ช่วยกันทำบุญนะครับรวมไปถึงของที่ยามาให้ทุกคนแบบ ได้ใช้แล้วก็แผ่เพิ่มจำนวนมากด้วยนะครับนั้นก็ต้องขอบคุณครับสำหรับของของที่มาลงนะค ะ, แ, ะ, จ แ, ะแจ้งยอดรวมลุงสนิทไว้ก่อนก็คือมูลค่าทั้งหมดแส0กว่าบาทนะคะประมาณแสนส0มแสนได้ค่ะยังรวมมูลค่าไม่หมดค่ะประมาณนี้นะคะก็ยินดีที่จะร่วมทาบุญในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ลืมทักทายคุณลุงคุณป้าที่อยู่ตึกข้างในเนาะสวัสดีแล้วเขาจะตอบเรามาไหมตอนนี้ไว้ดีินเสียงเขานะครับก็กําหนดการวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับให้หลวงพี่ได้พูดถึงเรื่องของการให้แล้วก็การเป็นผู้รับนะครับตามที่เราที่เราเขียนชื่อราโครงการมาว่ากิจกรรมนี้เราเรียกว่าเติมจิตผู้ให้เติมใจผู้รับนะครับก็เดี๋ยวจะให้หลวงพี่ ได้กล่าวถึงให้ความรู้พวกเราทั้งผู้ให้และผู้รับว่าเป็นอย่างไรวิธีการในการคิดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลวงพี่จะจะมีการถวายสังฆทานนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลวงพี่จะเข้าไปรับบาตรไปรับบาตรก็คือจะมีชุดทําบุญใส่บาตรให้คุณลุงคุณป้าทุกๆคนที่เตรียมไม่ให้นะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการในการคิดอย่างไรเดี๋ยวขอเรียนเชิญนรัศ ก, การหลวงพี่ครับ ขอเจริญพรกับโยมทั้งหลายนะนมาก็เป็นพระสงฆ์ที่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีวัดกลางได้จริงๆแล้วเนี่ยขออนุมโมทนากับโยมพิกุ้งแล้วก็คณะแล้วก็โดยเฉพาะขออนุมโมทนากับโยมลุงสนิทที่แต่ละคนเนี่ยมีเจตนาดีปรารถนาดีอยากจะให้คนที่ป่วยที่ไม่มีคนดูแลเนี่ยได้รับการเยียวยาดูแลทั้งไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้น ย the the Christ, have. The have. 1980, ังคอยดูแลเรื่องจิตใจกันด้วยอ่ะแล้ววันนี้ก็เกิดกิจกรรมขึ้นมาละกิจกรรมที่ที่เรามีกันวันนี้คือว่าเป็นกิจกรรมที่เรารวมตัวกันใช่พอการรวมตัวกันมาทำความดีเนี่ยเขาเรียกว่าสามะขีใช่ไหมแต่ว่าถ้ารวมตัวกันมาแล้วทำความชั่วเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคลุกคลีนะเขาเรียกว่าคลุกคลีไม่เรียกว่าสามขีแต่พอการรวมตัวกันมามาเจริญมาทาความดีเนี่ยเออก็ทาในสิ่งที่ดี คิดในสิ่งที่ดีๆพูดในสิ่งที่ดีๆทําในสิ่งที่ดีวันนี้กิจกรรมก็คือว่าเออเราจะสังเกตนะของที่วางกองอยู่ตรงนี้มีการจัดเตรียมมาอย่างดีนะมีการเตรียมการมาเป็นอาทิตย์อทิตไอ้ของที่เตรียมการมีแคมเพิร์สบ้างมีอาหารสําหรับถวายสงฆ์มีอยู่มียามีอาหารมีหมอนเงี้ยลักษณะของพวกเนี้ยมันเกิดมาจากเจตนาที่คิดอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ได้รับความสุข ในคณะผู้จัดธรำก็ดีเนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าให้จะให้เราเท่านั้นไม่ใช่แค่ให้เราในอาถาพนี้เท่านั้นนะสังเกตวันนี้จะเอาของเนี่ยไปแจกตามเตียงเสร็จแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยเดินถวายออพระก็จะไปรับที่ผู้ป่วยนะนะรับทานผู้ป่วยเนี่ยก็ยกทานถวายพระนี่เป็นไงไม่ใช่แค่เอาปัจจัยเนี่ยมาเลี้ยงดูเราแค่อตถรพานี้เท่านั้นยังเป็นการเอาปัจจัยเนี่ย ที่เรามีเป็นบุญอีกหมุนเวียนเกื้อหนุนเราไปในสังสารวัตอีกเกื้อหนุนเราในอาถรรพต่อไปใช่ไหมแสดงว่าคณะมีจุดประสงค์ที่ดีนะไม่ใช่แค่ดูแลเราแต่ปราถนาอยากจะให้บุญที่มีเนี่ยติดตัวเราไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าในชีวิตเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะในบางบางครั้งบางคราวเนี่ยวัตถุฐานที่เรามีเนี่ย เรามีวัตถุทานใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีศรัทธาใช่ไหมเพราะไอ้ความที่มันไม่มีศรัทธาเราก็เลยไม่อยากให้แต่บางครั้งบางคราวเนี่ยเรามีศรัทธาแต่ว่าเราไม่มีวัตถุทานเราก็ไม่สามารถไททานได้อีกแต่บางครั้งบางคราวเรามีพร้อมทั้งศรัทธามีพร้อมทั้งวัตถุทานแต่ว่าไม่มีผู้รับที่เป็นทักเคียนะบุคคลอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเอาแล้ ว, วันนี้อาตมาจะมาเป็นตัวแทน เป็นตัวแทนของหมู่สงเป็นตัวแทนของหมู่อริยะตัวแทนของหมู่ที่ฝึกฝนตนเองตามพระธรร ม, มวินัยของพระพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมได้รับความอิ่มออิบก็คือเดินตามศีลสมาธิปัญญานะเป็นตัวแทนมารับทานอแล้วทานเนี้ยไปกระทบอะไรทานเนี้ยไปกระทบกับคุณของพระอริยสงเนี้ยไปกระทบกับพระธรรมทานนี้ไปกระทบกับคุณของพระพระพุทธเจ้าโอทีนี้ จักทานธรรมดาเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยเนาะแสดงว่าจักทานที่เราเห็นธรรมดาทั่วไปเนี่ยโอ้โหมันมันไม่ธรรมดาละทีนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะปงแต่งจิตประดับจิตตรงแตกจริงตกแต่งจิตยังไงให้มันเป็นทานกุศลที่มันไภบูนไ ภ, ภบูนบริบูรณยิ่งยิ่งขึ้นไปและพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอาละการให้ทานที่มีศีลกำกับมีศีลเกื้อหนุนเนี่ย เป็นทานที่มีผลมากมีอา น, นิสงมากนะโอ้โหแสดงว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทานไม่ไม่ใช่ให้ทานกับธรรมดาเราก็จะสมาทานศีลกันเราจะเป็นผู้มีศีลละผู้ที่ให้ทานกับผู้ที่ผู้รับก็มีศีลผู้ที่ให้ก็มีศีลเอาละวันนี้เราจะมาทำทานที่มีอา น, นิสงมากมีผลมากดีไหม อ, อ่ะเดี๋ยวเราตั้งนโมนโมสามจบขึ้นมานะพร้อมกัน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 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้ออัจชะอาทิงกตวาอาหังพุทธสาอัตตานังนิยาเทมิ อาหังธรรมมัสสะอัตตานังนิยาเทมิอาหางสังคัสสะอัตตานังนิยาเทมิอิติบังทาเรถาติข้าพเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิต ขอมอบตนอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าขอมอบตนอุทิศถวายแด่พระธรรมขอมอบตนอุทิศถวายแด่พระสงฆ์ขอสงฆ์จงจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดอัจฉอาทิงกตวาอะหังพุทธสาอันเตวาสิโกโหมิ อาหางธรร ม, มัสสะอันเตวาซิโกโหมิอาหางสังคัสสะอันเตวาซิโกโหมิอิติมังทาเรธาตีข้าพระเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตขอมอบตนเป็นสิทธิของพระพุทธเจ้า ขอมอบตนเป็นสิทธิ์ของพระธรรมขอมอบตนเป็นสิทธิ์ของพระอริยสงฆ์ขอสงฆ์จงจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดเอาอีกรอบนึงนะอัจฉอาทิงกัตวาอาหางพุทธสาอัตตาอาหารพุทธสะปรายโนโหมิ อหังธรรมมสสาปรายโนโหมิอาหางสังคัสซาปรายโนโหมิอิติมังทาเรถาติข้าพเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิน้นตราบเท่าสิ้นชีวิตขอมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ขอมีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอมีพระอริยสงฆ์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอสงฆ์จงจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดในขณะที่เรามาปฏิญญาณว่าต่อไปนี้เราจะมีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมอบกายถวายชีวิตนี้แบบแต่พระธรรมพระสงฆ์อะไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือว่าเราจะมาตั้งมั่นมาปฏิญญาณว่าเราจะตั้งมั่นอยู่ในความดี เราจะมาตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาต่อไปเนี้เราจะไม่ยอมตั้งมั่นยังไม่ยอมถวายไม่ยอมมอบกายถวายชีวิตแกกิเลสอีกแล้วไอ้กลุ่มพวกโลภะโทสะโมหะเราถวายชีวิตมันมาตลอดเลยใช่ไหมโอ้แม้ว่าโหกรามลากความเวลาความทยานอยากมันลากฉุดเราไปในที่ไหนแล้วก็ตามใจมันเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วก็ตามใจมันเวลาความหลงมัวเมาเกิดขึ้นแล้วก็ตามใจมันวันนี้เรามาปฏิญาณว่าเราจะออกจากมันเขาเรียกว่ามาอย่าขาดกับ มาอย่าขาดกับโลภะโทสะโมหะเลยใช่ไหมแล้วก็ว่าเราจะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิท์ของเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสิทธิ์ของพระธรรมเป็นสิทธิของพระสงฆ์หมายความว่าเราจะเดินตามศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่มรรคาของพระชินเจ้านะแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ไปในเบื้องมากนั่นหมายความว่าหมายความว่ามันอันเดียวกันนะกับพุทธังสารนังกัจฉามีอันเดียวกันเลยธรรมังสารนังกัจฉามี สังฆังสระังกชามีอาอเดี๋ยวเราจะสมาทานศีนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอาฐินาทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจารา เวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมริยะมัชชปมาทัตฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอิมาณิปัญจสิกขาประทานิสีเลนะ อีมานิปัญจสิขาปทานิสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสท่าเยสาธุอารวาทนี้เรามาสมาทานว่าเราจะงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการเบียดเบียนกันโดยการงดเว้นจากการลักใช่ไหมงดเว้นจากการ ระพูดผิดในการงดเว้นจากการพูดเท็จพูดเราจะมงดเว้นจากการพูดคําหยาบด้วยงดเว้นจากการพูดสอเสียดพูดคําเพรสเจอร์งดเว้นจากการเอาของสุรามืนเมาเนะี่ยมาเข้าสู่กระแสร่างกายเป็นเหตุเป็นเหตุให้เป็นที่หวาดระแวงนะของคนรอบข้างใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการให้ทานของคนของผู้ที่มีศีล น, นะผู้รับก็มีศีลน่นะมีอนิสงฆ์มากมีผลมาก ใช่ไหมเมื่อเราตอนนี้เราตั้งมั่นอยู่ในสารณคมใช่ไหมมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นปเราเป็นสิทธ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พูดอย่างไรเนี่ยโอ้โหเราก็ตั้งศรัทธาไว้ในคําสอนเลยว่าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เราก็จะทําตามเราจะตั้งศรัทธาว่าโอ้ทานที่เรากําลังจะให้นะั้นอ่ะเป็นพวกเรากําลังจะทําศีลให้เกิดขึ้นนะ เราจะเป็นคนที่ให้ทานด้วยความเป็นผู้มีศีลนะผู้รับก็เป็นผู้มีศีลนะแล้วเราจะมีเราจะมีสุคติเป็นไปในภพหน้าด้วยสีแลนะสุคติงยันติเนี่ยสีเละเนี่ยก็คือศีลเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ได้สุคติสีเลนะโคลคสัมปทานเนี่ยคำว่าศีลเนี่ยเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้โคะคสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นยังเป็นปัจจัยให้ได้ถึง ความสุขอันบร ม, มสุกก็คือพันิพานใช่ไหมสุขที่ไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องแก่อีกไม่ต้องเจ็บอีกไม่ต้องตายอีกเนี่ยความเกิดบ่อยๆความแก่บ่อยๆในความเจ็บบ่อยๆความตายที่มันบ่อยๆมันทุกข์เนี่ยศีลมันเกลื้อนข น, นขนาดนี้แล้วเนี่ยดีไหมตอนนี้เรากําลังมาเจริญตามรอยของพระเรียเจริญตามรอยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจริญตอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทําอย่างนี้นะบําเพ็ญบา ร, รมีอย่างนี้มาตลอดอ๋อเนี่ยเราให้เราชื่อว่าได้ เป็นเป็นผู้ที่ได้เดินตามรอยของพารถิยะแล้วอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเออบางคนเนี่ยบอกว่าการให้ทานเนี่ยบางทีนะการให้ทานของเราเนี่ยวัตถุที่กองอยู่ตรงหน้าเนี่ยวัตถุเนี่ยมันเป็นบุญเป็นบาปได้ไหมขอถามหน่อยไอ้วัตถุที่เราคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ให้ทานเลยเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรให้ทานเลยมันมันคือบุญไหมบางคนคิดอย่างนั้นนะ บางคนคิดว่าเอาของไปยกยกให้เขานั่นแหละเรียกว่าบุญเป็นอย่างนั้นไหมแต่ความจริงคืออะไรรู้ไหมไอ้วัตถุนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปวัตถุมันก็คือวัตถุมันก็คือดินน้ําลมไฟใช่ไหมที่มาประชุมรวมกันเนี่ยแล้วก็บัญญัติว่าเนี่ยเรียกว่าแพมเพลิดนะนี่เรียกว่าหมอนีน่เรียกว่ า, าหารนะมันก็ดินน้ําลมไฟเนะี่ยมันทําบุญทําบาปไม่ได้และอะไรที่เรียวกว่าเป็นบุญล่ะอะไรที่เรียวกว่าเป็นบุญ สิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญก็คือตัวเจตนาคําว่าเจตนาที่จะให้เป็นไงเจตจิตที่คิดจะให้ใช่ไหมมันต่างกับจิตที่จะเอาไหมจิตที่คิดจะให้กับจิตที่จะเอามันต่างกันไหมนะต่างกันเนาะเวลาเรามีจิตที่เอาอยากจะเอาอยากจะได้เนี่ยมันทุกข์มันเครียดนะแต่ว่าเวลามีจิตคิดที่จะให้แล้วมันเบามันมีความสุขนะเป็นความสุขที่โอ้โหบางทีนะหลายๆคนนะจะชอบ ความสุขที่เรามักจะได้ก็คือว่าเราได้เห็นสีที่สวยๆอันนี้อันนี้เป็นการทดสอบทดสอบจิตใจนะว่าเรายังวันไหวอยู่ไหม <laughs> เป็นการทดสอบจิตใจนะพวกเรายังมั่นคงอยู่ในกุศลอยู่ไหมใจเสียไหม ยังไม่เสียนะโอเคเออมีมีเสียงรบกวนนิดหน่อยอ่ะเมื่อกี้มาพูดถึงอะไรแล้วลืมเลยเ <laughs> <laughs> มื่อกี้พูดในในถึงในเรื่องของเอ่อพูดถึงเรื่องอะไรนะ <laughs> คือเราจะสังเกตนะ <laughs> ว่าไอตัววัตถุเนี่ย มันทำบุญทำบาปไม่ได้ใช่ไหมวัตถุมันทำบุญทำบาปเั็นตัวจริงๆที่เป็นบุญเป็นบาปนะั่นก็คือตัวเจตนาใช่ไหมเจตนาที่คิดจะฆ่าเจตนาที่คิดจะเบียดเบียนเจตนาที่คิดจะรักเจตนาไอ้ตัวเจตนาเนี่ยโอ้โหมันเจตนาที่คิดจะทำความดีเจตนาที่เป็นไปกับการไม่เบียดเบียนเกื้อหนุนกันไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าบุญใช่ไหมจิตที่คิดจะให้อมันเป็นบุญมันเบามันเป็นบุญอย่างนี้นะเออ บางคนชอบคิดว่าให้ให้ไปเถอะไม่ต้องคิดอะไรแต่ความความเป็นจริงเป็นยังไงความจริงก็คืออันนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการให้ที่ไม่ได้คิดอะไรนะเขาเรียกว่าการไม่ได้ไม่ได้ประดับจิตไม่ได้ตกแต่งจิตเป็นไปเป็นไปกุกศลนะทีนี้เนี่ยพวกเรามารวมตัวกันเนี่ยในในเรื่องที่จะนอกจากเรามาสา ม, มัคคีกันในกิจกรรมที่จะทำใช่ไหมในมีการให้ทานมีการเจริญกุศล แล้วก็สามคัคคีตัวธรรมะนี่คือมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญามาเจริญศีลมาเจริญความเพียรนะความอดทนความความกล้วกล้าอาหารทั้งหลายเนี่ยมามาเขาเรียกว่ามาเป็นธรรมะสามคัคคีเนี่ยมา ส, สามัคคีกันในสังคมไม่พอยังมารวมตัวกันเพื่อทําความดีเขาเรียกว่าธรรมะสามคัคคีใช่ไหมทีนี้ผู้ให้ผู้ให้จะได้อะไรใช่ไหมผู้ให้ บางทีลงทุนลงแรงมานะลงทุนลงแรงอาบเหงื่อต่างน้ำคอยเรียรายเอาของมากองกองไว้ให้พวกเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราถ้าเราอยากจะรู้สึกว่าโอ้โหเขามีบุญคุณกับเราจังเลยใช่เขาเขามีคุณคุณกับเราจังเลยเราจะทำยังไงเป็นการตอบแทนเราสามารถตอบแทนผู้รับเราสามารถตอบแทนผู้ให้ได้ไหมผู้ให้เนี่ยก็คือว่าเราจะเกื้อหนุนผู้ให้ได้ยังไง ก็คือว่าเราวันนี้เรามาสมาทานศีลเรามาสมาทานตั้งอยู่ในความดีไม่คิดที่เบียดเบียนกันใช่ไหมนั่นคือการตอบแทนของผู้ผู้ให้เป็นการทําให้ผลของทานของผู้ให้นั้นนะมีผลภัยบุญยิ่งขึ้นไปใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเวลาผู้ให้มานะเขาเขาคิดยังไงในคําสอนก็จะบอกว่ามันเหมือนกับไฟไหมไฟไหมบ้าน ไฟนี่มันกําลังไหม้บ้านอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีคนช่วยมายกของออกไปยกของออกไปเนี่ยโอ้โหเจ้าของบ้านรู้สึกดีใจมากเลยว่าของจะไม่เสียหายไปกับไฟฉันใดก็ฉันนั้นนะคนที่ให้ทานเนี่ยคือในเมื่อเราโดนไฟนี่คือกุ้มลุมอยู่ในใจแล้วไฟคือชาราภัยก็คือความแก่ชาราไฟคือพยาธิภัย ไ, ไฟคือความแก่เกิดแก่เจ็บตายไฟคือโรคใบโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ตาก็เสื่อมลงหูตาฟ้าฟางเจ๊ไหมจมูกก็เสื่อมหูก็เสื่อมตอนเนี้ยมันไอ้ชราภัยมันทุบตีพยาธิภัยก็ทุบตีเราเนี่ยโอ้โหแต่ละคนก็โอ้โหลุกกันไม่ไหวแล้วใช่ไมบักสบอมกันเลยแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหไฟมันไหมอยู่แต่ถ้ามีวันหนึ่งเนี่ยคนมาหยิบทามาหยิบรับเอาของที่จากบ้านเราไปออกไปข้างนอกมาช่วยเหลือเราเนี่ยช่วยเหลือเราออกจากบ้านออกจากบ้านเนี่ยเราจะขอบคุณเขาไหมขอบคุณนะ ควรขอบคุณเวลาผู้ให้มาเนี่ยเราต้องขอบคุณผู้รับด้วยเราต้องขอบคุณทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเนี้ยขอขอบคุณมากที่ท่านทั้งหลายมาช่วยรับทานของเราที่ท่านทั้งหลายมาช่วยเอาทานของเราเอาเอาเอาไฟที่มันไหม้อยู่เนี่ยบ้านมันบ้านนี้มันไหม้อยู่เอาออกมาขนออกไปแล้วโหเขาเรียกว่าทานนั้นก็คือว่าบุญไงมาช่วยขนเอาบุญติดตัวไปในสังสารวัเนี่ย เป็นต้นฉั้นใดก็ฉันนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ผลของทานมีภัยบุ์ตอบแทนตอบแทนผู้ให้ด้วยแล้วก็สมาท า, า, านสมาทานศีลกันเลยเนาะดีไหมและทีนี้ทีนี้จะพูดในเรื่องของปัญหาคือว่าทําไมเราต้องต้องให้ผู้มีศีลรู้ไหมทำไมเราต้องให้ผู้มีศีล เ, เพราะการให้ทานกับคนทุศีลเป็นยังไง ร, รู้ไหม ยอมเคยเห็นหมีแพนด้าไหมเชียงใหม่อะเคยเห็นคุณทองแดงไหมเนี่ยเขารวยกว่าพวกเรานะ่ะน่าเขามีบ้านใหญ่กว่าพวกเรานะหมีแพนด้าเนี่ยเอามาเราเอาเร า, เราจับเอาเราไปอยู่ในกรงคู่กับหมีแพนด้าเลยถามว่าประกาศโฆษณาเอาถามว่าประชาชนคนที่เขาผ่านมาผ่านไปนี่เขาอยากจะมาดูเราหรือไมด่ดูมาดูหมีแพนด้าใช่ไหมมาดูหมีแพนด้าอยู่แล้วเนี่ยสังเกตว่า แต่ว่ามีแพนด้าเนีเป็นสัตว์เดรัจฉานเ ว, าเวลาเวลาบุญกุศลเขาให้ผลนะเขาให้ผลอย่างอลังการละนะอย่างอลังการมีบ้านใหญ่ๆอยู่ในห้องแอร์มีกินกินได้ตลอดชีพแต่ว่าเขาก็เสวยผลของบุญได้แค่นั้นแหละเขาเสวยผลบุญได้แค่นะเต็มที่แค่นั้นเองวิ่งเล่นไปมาวิ่งเล่นไปมาแต่คิดอะไรไม่ออกมึนๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการให้ทานเนี่ยปัญหาของการให้ทานของคนทุศีเน่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเวลาคนทุศีเน่ยให้ให้มากๆ กินอิ่มแล้วนะมันไม่ทำไรนะมันลุกขึ้นมาทำชั่วใช่ไคิดแค่คิดชั่วแล้วก็เป็นคิดชั่วแล้วก็โหอาหารที่ลงไปในท้องเนี่ยอาหารที่ลงไปในท้องเป็นปัจจัยให้มีกำลังพอมีกำลังก็ไปคิดชั่วใช่ไหมเออเนี่ยผลของทานของคนที่ทุสีเนี่ยมันมันแย่อย่างนี้เนพอมองภาพบ อ, อกเนาะในวันนี้เราวันนี้เรามาเห็นมามาเห็นทานเนี่ยก็คือว่า เราจะคิดยังไงให้เป็นเป็นทานกุศลศีลกุศลจะประดับจิตตกแต่งจิตยังไงใช่ไหมเราจะคิดว่าทานเนี้ยของเราเนียที่เรามีเนียก็คือมีปัจจัยสี่ใช่ไหมอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยทำอะไรอาหารเนียเมื่อคนกินเข้าไปทำให้เป็นคนที่มีอายุยืนใช่ไหมเราไปต่อชีวิตเขาทำให้เขามีกําลังทำให้เขามีผิวพรรณดีแล้วก็ได้ความสุขเนี่ยอาหารนะอะไรอย่างจีวรเนียเวลายมให้จีวรพระ พระเนี่ยเมื่อข่มจีวรแล้วก็สามารถปกปิ่นสิ่งที่ละอายได้เกิดความพิริโอตปะเนี่ยไม่อายนะแล้วพอพอพระบินทบาทใช่ไหมคนที่มาเห็นสั ญ, ญลักษณ์คือจีวรเนี่ยนี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์คือธงชัยของพระรียกเจ้านะธงชัยของพระอรหันต์หมายถึงว่าเมื่อคนที่ข่มเนี่ยแล้วอะ่ะคือประกาศตัวประกาศตัวว่าจะเป็นศัตรูกับความโลภความโกรธความหลงเป็นศัตรูกับโลภะโมหะโทสะเป็นศัตรูกับตัณหามนาสทิฏฐิ มาประกาศเป็นนักรบของพระพุทธเจ้าใช่ไหมรบภายในใช่ไหมรู้จักไหมไอ้ความการรบเนี่ยโอ้โหพอคนมาเห็นแล้วก็ชื่นใจปิติว่าโอ้คาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังเป็นไปอยู่คําสอนของพระพุทธเจ้ายังเป็นไปอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าอานน์ดูก่อนอาโนนธรรมะเละวินัยเนี่ยจะเป็นาศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราใช่ไหมทำแปลว่าอะไรธรรมะเละวินัยเป็นาศาสดา แปลว่าธรรมะและวินัยก็คือว่าองค์ของาศาสดาก็มีคือธรรมะหนึ่งใช่วินัยหนึ่งใช่เวลาที่เห็นภิกษุเนี่ยมาปรงผมนะเดปรงผมปรงหนวดปรงผมนุ่งผมจีวรเดินได้อาการสงบเสงี่ยมมีสายตาท่อต่าเดินบินทะบาทไปโอ้โหเราก็เห็นว่านี่เป็นวินัยของพระเริยเจ้าเป็นวินัยของผู้มีศีลเขาทากัน แล้วเราเห็นอยากจะไปใส่บาตรทั้งไปเดืออันนี้คือเขาเรียกว่าเราเห็นภาษาสดาในฐานะวินัยใช่ไหมและใน tha, ในขณะที่พระสงฆ์เนี่ยเดินจิต ด, ด้วยกุลเดินมีสติมีสัมปชัญญะเดินไปตามทางคิดที่จะอนุเคราะห์หมู่สัตว์ทั้งหลายทําสติทํำสมาธิทําปัญญาให้เกิดขึ้นใช่ไหมในขนาดนั้นเขเรียกว่าธรรมะเป็นไปอยู่ในท่านในองค์ของสงฆ์นั้นเขาเรียกว่าแปลว่าการที่เราเห็นพระสงฆ์บิณฑบาตเนี่ย คนที่มีปัญญานะก็จะมองทะลุไปเลยว่าธรร ม, มาริวินัยเนี่ยอยู่ในองค์ของสงฆ์ท่านนี้ท่านเป็นคนที่มีความงามยังไงมีความน่ารักยังไงโอ้โหหน้าเกื้อกูลยังไงเนี่ยโอโ้ท่านมามาเพื่ออนุคาห์เราประดุดว่าพระาศาสดาเนี่ยสเสด็จมาบิณฑบาตเองเลยเนียโอ้โหเห็นแค่นี้รู้สึกว่าประทับใจเห็นว่าคําสอนพระพุทธเจ้ายังมียังทรงพระชนอยู่ฉันใดก็ฉันนั้นเลยใช่ไหมเนี่ย วันนี้เรามาให้จีวรเรามาให้จีวรแล้วก็เป็นเครื่องเป็นเครื่องให้พระสงฆ์ท่านได้มีกุศลละศี เ, น, เนีเดินเดินศีลสมาธิปัญญาได้ต่อไปเนี่ยเป็นต้นอแล้วทีนี้เราจะเดินเราจะเดินกุศลอย่างไงให้ให้ติดต่อแล้วก็ต่อเนื่องคือคือเราก็สรุปก็คือว่าไอตัววัตถุทานเนี่ยมันมันขับเน้นที่ตัวอะไร ไม่ใช่ตัววัตถุวัตถุเป็นบุญเป็นบาปไม่ได้แต่ขับเน้นที่เจตนาที่คิดจะให้ใช่ไหมเจตนาที่คิดจะให้ว่าโอ้ขอให้ท่านมีอายุยืนขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีผิวพรรณดีขอให้ท่านมีกําลังใช่ไหมโอ้จิตเจตนาที่คิดจะให้อย่างงี้ก็มีพลังละมีพลังแล้วยิ่งไปกระทบกับองค์ของพระเรียเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอันนี้สงฆ์ก็มากเลยใช่ไหมอันนี้สงฆ์ก็มากเลยนี่อยากทําหรือยังอยากทำไหม พระพุทธเจ้าบอกว่าบอกว่าอะไรดูมไหยคนที่เห็นผลของทานอย่างที่ตถาคตเห็ น, นคนที่เห็นผลของทานอย่างที่พระพุทธเจ้าเองเข้าไปเห็นนะบุคคลที่เข้าไปเห็นแล้วเนี่ยจะไม่ให้ทานก่อนแล้วบริโภคเป็นไม่มีหมายถึงว่าบุคคลใดที่เข้าไปเห็นผลของทานแล้วเนี่ยจไม่พอพอเข้าไปเห็นแล้วเนี่ยจะให้ก่อนแล้วกินใช่ไหม ก็คือจะให้ก่อนแล้วแล้วกินก็คือจะไม่ให้ก่อนแล้วกินเนี่ยไม่มีหมายถึงว่าโหเพราะว่าผลของทานมันใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการละมากถ้าเราไปเห็นผลของทานอย่างพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าโหทานในยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอย่างเช่นเหมือนกับอะไรเหมือนคนต้องการจะฝังขุมทรัพย์ใช่ไหมบางคนไปเข้าใจว่าการฝังขุมทรัพย์ของเราเนี่ยบางคนเอาเอ า, เอาคิดว่ามีเงินเหลือมีเงินทองเหลือเอาไปฝังได้ไหนในธนาคารนะ ฝังธ น, นาคารบ้างเอาไปฝังไว้ใต้ดินบ้างแต่ว่าในคําสอนจะบอกว่าเขาจะไปฝังในใต้ทะเลลึกนีแต่ว่าแต่ว่าไอ้ไอ้ทรัพย์สมบัตินั้นจะสําเร็จประโยชน์กับเขาทุกอย่างเสมอไปก็ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเช่นเราไปฝากธนาคารถ้าธนาคารมันเจ๊งนะสมมุติเราไปฝากร้อยล้านพันล้านนะแต่ว่าธนาคารเจ๊งปุ๊บพลิกเขาจะรับประกันเงินฝากเราแค่ล้านเดียวแล้วเนี่ยจะเท่าไหร่ก็คือโห ใช่ไหมทรัพย์ที่เราฝังเอาไว้เนี่ยมันมันไม่ปลอดภัยจริงใช่ไหมเพราะว่าอะไรในคําสองก็จะบอกว่าตอนที่เราไปฝังไว้มันจะสําเร็จประโยชน์กับเราไม่ได้เสมอไปมันจะโดนเอาคนอื่นเอาไปบ้างใช่ไหมโดนนาคพยาคุดคนทันขุดออกไปบ้างหรือว่าทายาทที่ชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยก็มาออกไปบ้างหรือว่าเราตายก่อนมั้งก็มีใช่ไหมเราตายไปก่อนไม่ได้ใช้ทรัพย์ก็มีเยอะแยะเห็นได้เยอะแยะการฝังทรัพย์อย่างนั้นจะไปประเสริฐอะไร การฝังร like no he ับอย่างนั้นน่ะรู้วแต่การฝังรับสําหรับภริยานะคนบุคคลที่เป็นบัณฑิตคนที่มีปัญญาเขาจะฝังรับไว้ในไว้ในศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาฝังรับไว้ในทานฝังรับไว้ในศีลเพราะอะไรเพราะทานนั้นน่ะฝังไปแล้วปุ๊บหวานเม็ดเจตนากุศลลงไปในทานทานที่ถูกต้องแล้วเนี่ยทานนั้นจะติดตัวเราไปในทุกชาติ โจรมาเอาไปไม่ได้น้ำพัดพาวไปไม่ได้พระราชามาเอาไปไม่ได้ใช่ไหมออแล้วตายตายไปเราก็ยังติดตัวไปได้แล้วก็ทายาที่อับปรีก็เอาไปไม่ได้พายุไฟน้ำลมเนี่ยเอาไปไม่ได้หมดเลยใช่ไหมโอ้โหมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยน่าให้ไหมแม้กระทั่งการเป็นคนที่มีรูปงามการเป็นคนที่มีเสียงไพเราะการเป็นคนที่มีรูปร่างสภาพร่างกายแข็งแรงก็มาจากทานศีลภาวนานี่ยแหละ การเข้าถึงความเป็นพระราชามหากษัตริการเข้าถึงความเป็นเทวดาการเป็นหัวหน้าของหมู่เทวดาก็มาจากทานศีลภาวนานี่แหละการเข้าถึงการเป็นพระอรหันต์สาวกบ ร, รมียานการเท้าถึงปัจเจกโพธิยานการเข้าถึงสัมมาสัมโพธิยานก็มาจากศีลสมาธิปัญญาเนี่แหละก็เพราะนั้นขุมทรัพย์คือทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือให้ผลเราไปบู์ขนาดนี้สนใจไหมโอ้โหพระพุทธเจ้ามานําเสนอเนี่ยน่าทำมาก ในวันนี้แล้วเรามีอะไรพร้อมบ้างศรัทธาเรามีไหมวันนี้นำศรัทธาศรัทธามีอยู่เราในท่านทั้งหลายไหมศรัทธามีนะวัตถุทานมีไหมมีใช่ไหมผู้รับมีไหมผู้รับก็มีและถามเป็นผู้รับที่มีศีลด้วยเป็นผู้รับที่เป็นตัวแทนของหมู่สงใช่ไหมในทั่วสังคมมนทนเลยเป็นตัวแทนเขาเรียกว่าให้สังฆทานนะสังฆแล้วก็ แล้วก็โอ้โหแทงว่าวันนี้เราบริบูรณ์ทุกอย่างก็เป็นโอกาสอันดีเนาะในฐานะที่วันนี้เรานี่กใช้มาก็ใช้เวลามาพอสมควรและมาทำความมาให้ความรู้มาให้ความเข้าใจว่าการให้ทานที่เป็นไปกับการประดับจิตตกแต่งจิตเป็นยังไงใช่ไหมนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการให้อภัยทานนะอย่างเช่นว่าให้อภัยอ่ะรู้จักคําว่าอภัยไหมมันเชื่อมโยงไปว่าต่อไปเนี้ ตราบเนี้ยจนกว่าจะถึงอนุปาธาพุทธิภัณน์ครับพระเจ้าจะไม่คิดมีจิตคิดพยาบาทเบียดเบียนบุคคลคนนี้อีกแล้วตลอดจนกว่าจะถึงอนุปาธาพุิธิภัณฑ์ไม่คิดที่จะรักไม่คิดเทียบประพฤติผิดในการไม่คิดพูดถึงพูดเท็จคำหยาดส่อเสียดเพื่อเจ้าไม่เอาของมืนเมาเป็นเหตุให้เกิดความระแวงทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกว่าอภัยทานจนกระทั่งวันนี้มาก็มาทําบริวญก็คือว่าให้ธรรมทานคือให้ความรู้ให้ความเข้าใจ ใช่ไหมเขาบอกว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาตินีว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงวันนี้พวกเรามาเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวความรู้ความเข้าใจในพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะแล้วก็ขอมาก็ขออนุโมทนาในเจตนากุศลจิตในแต่ละบุคคลที่ขึ้นอยู่กับการที่บุคคลแต่ละคนจะปรุงแต่งจิตตกแต่งจิตให้เป็นอลังการะยังไง ให้เป็นบริขารของจิตให้เป็นความยิ่งใหญ่ให้รู้สึกว่าโอ้โหเราจะเป็นไปเพื่อสละกิเลสเป็นไปเพื่อเอาความตันหนีออกไปเป็นไปเพื่ อ, อความขัดเคืองออกไปเป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญา mm hmm. ก็คือการให้ทานครั้งนี้เดินเข้าสู่ศีล ส, สมาธิปัญญาเลย mm hmm. ใช่ไหมเออ ม, อมาขอโมทนาในเจตนากุศลและจิตทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะโยมพี่กุ้ง โยมพี่กุ้งนี่เป็นเป็นรุ่นพี่ของอตาตมาที่มาหาไยเพราะอตาตมามาบวชแล้วบวชแล้วเธอก็คอยปรึกษาธรรมะของมาได้เป็นระยะระยะระยะเราเห็นเรามาเห็นความตั้งใจเห็นความเห็นความต้องการที่จะอนุเคราะห์ต้องการที่ทําความดีของเธอตลอดเลยไม่ว่าเธอจะวิ่งไปทําบุญแต่ละที่แต่ละที่แต่ละ ท, ละที่เธอก็คอยเป็นสะพานบุญมีเจตนาอย่างเงี้ยสังเกตว่าคนที่มีเจตนาลักษลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นคนไม่ตกต่ํา จะเป็นคนไม่ตกต่ำยิ่งยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งได้ก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทำยิ่เธอก็งงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าผลบุญมันให้ผลบุญเธอขนาดนี้เธอก็งงเนี่ยความเป็นยศใหญ่เนี่ยในขณะที่รุ่นของเธอเนี่ยทำงานทํางานทํางานใช่ไหมทุกคนทํางานอาบเหนื่อต่างน้ําไม่มีเวลาแต่ว่าเวลาบุญมันให้ผลของเธอเนะหวเธอสบายงานงานก็ได้ระดับเป็นผู้มีชื่อเสียงนะเป็นผู้ที่มี ทำแหน่งยศฐานะเนืงินเดือนไม่เน่าไม่น้อยเลยนะเห็นไหมแล้วก็โหนอกจากเงินเดือนไม่น้อยพ อ, อยังมีเวลามาทําบุญมาช่วยเหลือเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยทานมันให้ผลแม่แม้กระทั่งปัจจุบันนะชาติเลยอย่างนี้ดีไหมจ๊ะอยากทำไหมวันนี้เธอก็มาอนุเคราะห์พวกเรานะในการที่อยากหวังว่าอยากจะให้เราได้อิ่มเ อ, อิบในรถของพระธรรมอิ่มเ อ, อิบในในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศล ในเมื่อรู้ว่าความดีมันมีผลอย่างนี้แล้วเนี่ยขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งศรัทธาไว้ทําศรัทธาให้เกิดขึ้นทําเจตนาจิตทีค่คิดให้เกิดขึ้นตั้งสมาธิเอาไว้ให้เกิดขึ้นทําสติระลึกในสิ่งที่ดีๆแะขอมูทนาทัาน ท, ทั้งหลายเดี๋ยวธรรมาจะรับสังฆทานเนาะขอให้เราพวกเราตั้งใจตั้งใจนะเสมือนก็ว่าเราเป็นคนถวายทานกับมือของเราเองเลยนะและของทุกชิ้น ของทุกชิ้นที่ตั้งอยู่บนบนบริเวณนะที่นี้เป็นของพวกเราทุกคนพวกเรามีส่วนทุกคนอย่าคิดว่าเราไม่ได้ซื้อไม่ได้หามาเราไม่ใช่ของเราผลบุญนั้นไม่ใช่ของเราแต่ว่าอันนี้คือของพวกเราทุกคนแล้วนะทุกคนก็คือว่าทุกคนจะประดับจิตตกแต่งจิตยังไงว่าอ้อเขากำลังทำความดีเนาะเนี่ยเสมือนกับว่าเราให้กับมือเองได้ไหมถ้าใครทำได้ก็โ อ, โอ้ดีเลยใช่หมดีเลยเอาลองตั้งใจตั้งใจนะ ตั้งใจละรื้อทำจิตให้สงบสักครู่หนึ่งเรากําลังจะให้ทานทานของเรานี้จะเป็นไปเพื่อความสุขของเราทานนี้กุศลนี้จะเป็นไปกับการที่คุณนี้จะเป็นไปกระทบกับผู้ที่ไม่มีกิเลสทั้งหลายอย่างมีพระอรหันต์เป็นต้นมีพระโสดาบันสก่าทาคาเมียนาคามียอ๋อทานของเราไม่น้อยเลยทานของเราไม่น้อยเลยยิ่งใหญ่เหลือเกินไงานที่ตั้งใจว่าตามนะ อาหังวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีพระเมตตาการุณาหาประมาณไม่ได้ที่เสียสละสังสมพระบารมีเพื่อประกาศธรรมนำเวณนยศาสตร์ออกจากวัฏทุกข์้าพเจ้าขอบูชาคือพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงขอน้อมถวายปัจจัยทยธรรม มีปัจจัยสี่มีอาหารเครื่องนุ่งหม่มยาและเศนาสนะบูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูชาคุณของพระธรรมบูชาคุณของพระอริยสงฆ์ข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีสารณะ เป็นผู้มีศีลปราถนาจะตัดสรู้เดินตามรอยบาทพระศาสดาพระพุทธเจ้าตัดสรู้ทำเหล่าใดพ้นจากวัตถุทุกได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงา แห่งบวรพระพุทธศาสนาได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรเป็นสัมมาทิฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมและฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัใจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญายาน ตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุาธเดี๋ยวตั้งใจยกยกปัจจัยสี่ยกสังฆทานถวายนะอันนี้เป็นของพวกเราทุกคนเลยนะตั้งใจเสมือนว่ามีโยมทั้งหลายเนี่ยเป็นคนยกกับมือด้วยด้วยมือของตัวเองเลย เดี๋ยวเดี๋ยวสาธุพร้อมกันอีกรอบนึงนะสาธุสาธุสาธุสาธําเร็จแล้วสําเร็จแล้วนะทานที่เราได้ทำนั้นสำเร็จแล้วของมูธนาด้วยนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวธรรมาจะไปเดินรับทานแต่ละเตียงแต่ละเตียงให้พวกเราชื่นใจนะดีไหมเออเดี๋ยวเตรียมจัดของให้ให้ผู้ป่วยเนาะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวธรรมาจะเดินไปรับกับมือเลยนะการให้ทานเนี่ยเขาเรียกว่าให้ทานด้วยศรัทธานนะ ให้ทานด้วยความเคารพความเคารพเป็นยังไงให้ด้วยเต็มใจความเคารพก็คือให้ด้วยเต็มใจไม่รู้สึกเสียดายให้ด้วยความยำเกรงเป็นยังไงคําว่าให้ด้วยความยำเกรงก็หมายความว่าเราเลือกเฟ้นทานมาแล้วว่าทานเนี้ยเหมาะกับผู้รับจริงใช่ไหมการให้ทานด้วยความยำเกรงว่าพระสงฆ์ได้ต้องการกินอาหารอย่างนี้ใช่ไหมการให้ทานด้วยความไม่ยำเกรงเป็นยังไงอาหารชนิดเนี้ยสมมุติว่าเราให้พระสงฆ์ไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้ ให้ท่านทั้งหลายให้พระสงฆ์เนี่ยมีมีอวัยวะท่านทํางานหนักขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นนะตับทํางานหนักขึ้นปอดทํางานหนักขึ้นนี่คือว่าให้ทานด้วยความไม่ยำเกรงเนาะนอันนี้เราก็คือมาเลือกของที่เหมาะเหมาะน ะ, ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เนนกระจายตัวกันไปรับทานเนา ะ, ะสมเหมือนกับว่าเราถวายแด่พระพุทธเจ้าอ่ะแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์เลยนะ ถวายแต่ตัวแทนเอาตัวแทนไปรับทานน ะ, ะตัวแทนไปรับทานเออกระาจายลูกเนนลูกเนนลูกเนกเ น, เ, นเดินลูกขึ้นมารับทานน ะ, อะโอเคเดีย๋ยวถอดรองเท้าเนี่ยถอดรองเท้ารับทานนะอีกสอง กระจายปไปตรงนี้รับสาธุสาธุสา ธ, สา ธ, สาธุโอ้โหเราได้ให้ทานนี้กับมือเราให้ทานด้วยความเคารพเราได้ให้ทานนี้กับมือเราได้ให้ทานด้วยความยำเกรงเราให้ทานโดยไม่ทิ้งขว้างนะให้ทานโดยไม่ทิ้งขว้างเอออ่ารับนะเอออ่าเดินอ่าเดินต่อไปเดิน รับทานทีละคนเลยนะให้กับมือโอ้โหโอ้โหสาธุสาธุสาธุสาธุคนที่อยู่ในห้องพยาบาลเนี่ยใจเย็นๆหน่อยนะจ๊ะอย่าพระไปรับถึงมือแน่นอนไม่ต้องห่วงนะ